จบเสียงอ่านพุทธธรรมฉบับปรับขยายบทที่13โยนิโสมนาสิการขอทุกท่านร่วมอนุโมทนาเจ้าภาพเพิ่มเติมอีกดังนี้ครอบครัวชุมทองงามลักษณะประคองอ่วมสีพิรมวิไลวันกุลเพิ่มทวีรัตพัชรีจันโทไทยครอบครัวอารีหนูทิปรกรวงวิชัยพรทิวาลาวะลินดาวัฒนกิติวงศพารดีสมาสนสุวรรณพัทรพลชัยยันาคุณ ชันสิตาวัฒนาสุนทรฤทัยชัดสุดามานณตครอบครัวคําสุภาครอบครัวงามสุริยพงษ์อังคณามุญทาทิพกุลนราภรนาคาเกตวันณกรเมธาธิตกรชัยจันทนาสระสืบคุณรวมกับอีกหลายท่านซึ่งไม่ประสงค์ออกนามขอทุกท่านเจริญแต่ในทางที่เป็นกุศลยิ่งขึ้นไปสัพพะธนังธรรมะานังชินาติการให้ธรรมะชนะการให้ทั้งปวงเผยพระต่อได้ทุกช่องทางไม่ต้องขออนุญาต